เพราะอันนี้ศา ส, สนานี้ต่างจากโลกโลกทักตัวไปก็เรียกว่าโลกทั้งนั้นศา ส, สนาไม่ใช่โลกเพราะจึงมีความแตกต่างเมื่อจิตใจ้าส ม, สมผับสัมพันธ์กับศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็าตามส่วนมาก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 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ถือศาสนานั้นๆได้เป็นอย่างดีและดีมากผิดกับผู้ไม่มีศาสนาเลยเป็นไหนๆเพราะนี้เป็นเครื่องเป็นคู่เคียงกับใจโดยตรงเป็นที่ยึดที่ให้ความสุขความไว้วางใจตามสัต์ตามส่วน ของศาสนานั้นนั้นและของธรรมขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกพูดในวงพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาเป็นศาสดาสอนโลกย่อเป็นธรรมเป็นภูมิคือเต็มพระไถย ในพระไตรนั้นเป็นธรรมทั้ ง, งดวงเลยจึงสอนศาสนาได้มีความถูกต้องแน่นยำ่ำวิชาธรรมที่นำมาใชาน้นี้ก็ไม่ใช่ได้มาแบบโลกโลกต้องได้มาด้วยวิธีธการของธรรม การสาะการแสวงการขวนขวายการอุตสาห์พยายามทุกอย่างผิดกับโลกเขาทั้งนั้นเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่การบำเพ็ญธรรมภาคพื้นพื้นไปจนถึงธรรมอเอียดสูงสุดมีความแตกต่างจากอาการของโลกโดยลำดับไปธรรมจริงไม่เป็นโลกจิตที่รู้ธรรมเห็นธรรม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 เพราะผู้มาสั่งสอนนั้นต้องเป็นศาสดาถึงจะมาสั่งสอนภูมิของผู้ที่จะเป็นศาสดาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีศาสดาจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวองค์เดียวด้วยการฝันขวายของศาสดาแต่ละองค์นนะี่วิธีการต่างๆที่จะเริ่มภูมิอัดภูมิธรรม ขึ้นภายในพระไัยของศาสดาแต่ละองค์นั้นจึงต้องเป็นมาโดยลำพังพระองค์เองเพื่อความเป็นสยามผูคือรู้เองเห็นเองเพราะวันฝวายเองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะได้จะมาแนะมาบอกมาสอนเพราะผู้มาแนะมาบอกมาสอนนั้นเป็นวิสัยของสามัญชนธรรมดาความรู้ธรรมดา จมาสอนภูมิศาสาดาเพื่อความเป็นศาสาดาย่อมไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องรงขวัญขวายโดยลำพังพระองค์ทั <t> ้งนั้นวิธีการขวัญขวายจะผิดหรือถูกประการใด <t> ก็ต้องเป็นอุบายวิธีของพระสติปัญญาของแต่ละศาสดา ที่จะพึ่งขวันขวายเองจึงเริ่มไปตั้งแต่ความภาคเพียรความพุสาพยายามความอดความทนสติปัญญาเริ่มแปกจากลวกไปตั้งแต่เริ่มแรกอย่างการปฏิบัติเพื่อความเป็นศาสดราในพระชาตินั้นของแต่ละศาสดา นี่จิงเวลาได้เป็นผลแล้วจริงเป็นสยามภูเต็มพระองค์คือไม่มีใครจะมาให้อุบายเพิ่มเติมได้เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยภาคปฏิบัติภ า, าคภาคขนขวาจนกระทั่งถึงภูมิแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นเรื่องทรงขุดคน้นทรงอุตส่าห์ขวนขวายทรงรู้ด้วยพระองค์เอง จึงให้นามว่าสยัมผูทุกๆพระองค์บรรดาศาสดาที่มาสอนธรรมในแดนพุทธศาสนานี้เราจะเห็นได้จากภาคปฏิบัติแม้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามนี่ได้เงื่อน ได้เหตุผลต้นปลายจากศาสดารทรงสั่งสอนแต่วิธีการที่ผู้ น, นั้นจะนำไปปุดค้ น, นจะนำไปขวัญขวายจะนำไปพินิพิจรารณาในแง่ใดก็ตามจะเป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะไม่ใช่จะยึดเอาศาสนาธ ร, รรมนั้นเข้ามากลาง<ม>เหมือนเข้าการแบบแปลงแผนถังเช่นนั้นนั่นใช้ไม่ได้เลย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 ท่านก็นแสดงไว้ทั้งรุ่นคือกลางกลางธรรมะส่วนใด่ยใดก็เป็นกลางกลงของส่วนนั้นแงนั้นที่จะแตกแขนงไปจากส่วนกลางจากส่วนนั้นแงนั้นแงน่นั้นนั้นเป็นอุบายวิธีการเป็นการขวนขวายของผู้บำเพ็ญแต่ละลา ย, ละลายจะพึงทำให้ตื่นให้มีขึ้นในตน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 เมื่อปรากฏผลขึ้นมาแล้วจึงเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เฉพาะเจ้าของที่ฝันขวายเฉพาะเจ้าของเหตุจะหนักเบามากน้อยยึกตื้นยำละเอียดเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเป็นเจ้าของขัญขวายขึ้นมาผลปรากฏขึ้นมามากน้อยจนกระทั่งเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาก็ เ, าเป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญ น, นั้นๆจะ พึงทราบโดยเฉพาะเท่านั้นผู้อื่นทราบให้แม้ได้ผู้อื่นไปแนะให้ไม่ได้ในความจริงอันนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจา้าท่านทรงแสดงว่าตุ้มให้จิตจังอาตับตังอาขาตาโรตถาตตาการประกอบความเพียรเพื่ อ, อยังีิเลสทั้งหลายให้เหวดแห้งไปจากจิตใจนั้น เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึ่ ง, วงขวนฝายเองพระพุทธเจ้าทุกทั้งหลายเนี่ยังละทั้งหลายเป็นติเรียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นโดยอย่างนี้จึงได้แนะนำหรือเตือนเพื่อนหมู่เพื่อนเสมอในอุบายวิธีการต่างๆที่สอนก็สอนทั้งรุ่น ถึงจะว่าละเอียดตามความรู้สึกของหมู่เพื่อนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังในอัดทำบางแง่บางบทก็ตามแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นความละเอียดเท่าเจ้าของปฏิบัติได้รู้ขึ้นมาเองนั่นเป็นความละเอียดเป็นความตายตัวของผู้ปฏิบัติและของผู้จะรู้จะเห็นหรือผู้รู้ผู้เห็นจำพอตนนั่นจึงเป็นของจริงแพ้เป็นผู้นขวา หามาด้วยลํำธงตนเองทาประเภทต่างๆเหมือนกับท่านยกให้เราทั้งรุ่นให้เราไปเจรไนไปแจงออกด้วยสติปัญญาด้วยอุบายวิธีการของเราเองนี่เป็นความชอบธรรมนี่เป็นทางเดินของผู้จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ยึดอุบายยึดคําสอนของครูบาอาจารย์และไปกลางเช่นเดียวเขาเข้ากลางแผนที่นั้นเป็นไปไม่ได้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 นั่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่แน่ใจของเราโดยแท้เป็นธรรมแพ้สําหรับเราไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดแท้ไปโดยลําดับลำดัของขั้นแห่งธรรมเรื่องความค่าความหมายเอามาใช้การใช้งานอะไรไม่ได้ในวงปฏิบัติที่จะเข้าได้เข้าเข็มกันจริงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเจ้าของผู้บำเพ็ญนั้นจะพึมิขนฝ่ายเองทั้งนั้น จึงขอได้พากันจำในข้อเหนี่ยาไว้เวลานี้ s ศาสนาก็นับวันมีสิ่งที่เป็นไถ่สิ่งที่เป็นค่าศึกษาแน่นขึ้นโดยลำดับแม้ในวงชาพุทธของเราเองโดยไม่มีเจตนาจะทำลายหรือจะขัดแยง้งมันก็ยังมีได้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 ยังมีการนอนหลับอยู่แล้วพระองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์แท้ไม่ได้หลับเพียงพักผ่อนถัดขันเท่านั้นส่วนจิตใจของท่านตื่นอยู่ตลอดเวลาคือหมายเอาชาคราธรรมที่มีอยู่ประจําจิตที่บริสุทธิ์ของท่านนั้นนหะแต่เวลาเอานาออกมาพูดด้วยความจําด้วยความคาดะเนีมันจึงผิดกันไปคนละโลกหาก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 ขันจะตื่นขึ้นมาตื่นแต่หลับก็ต่างไม่ตื่นขึ้นมาก็าตามชาคระก็คือชาคระอยู่นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหลับและตื่นนั่นนี้เอามาคาดดิ้งกลายเป็นเรื่องพระพาราหันนอนหลับดูแล้วก็ไม่ใช่พรารหันนี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความคาดความหมายความตุดความจำ กับความจริงมันต่างกันอย่างไรต่างกันอยู่มากทีเดียวหรือต่างกันเอามากอาการทั้งหมดที่แสดงในขันเป็นล้วนเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นเพราะขันเป็นรลากฐานขอ ง, องมุมมติอยู่แล้วขันกระดิอะไรออกมามันก็เป็นสมมุติทั้งหมดเพราะขันระ ง, งับตัว ลงไปสมมุติในวงขันนี้ก็ระงับตัวไปด้วยแล้วชาคละนั้นจะมามีส่วนได้ส่วนเสียกับขันอย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะมาเกี่ยวข้องกันได้หรือมาสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนโลกทั่วไปได้ต่างอันต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวอยู่เช่นนั้นหรือความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนนั้นเราจะนำมาพูด เดียวกับเรื่องความรู้เช่นเดียวกับความรู้ในขนันนี้มันพูดไม่ได้อันนี้มันหยับหยาบนี่รู้เด่นอยู่ในขันอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งนะไม่ไม่ต้องถึงพูดถึงว่ารู้โดยการคิดการปรุงรู้โดยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาสัมผสัสสะพานกับขันก็อาจจะตนะหแม้แต่ความรู้อยู่ธรร ม, รรมดาโดยลำพังตนเอง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 เพรามันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดจะไปใช้ในวิมุตได้เหรอือใช่ไม่ได้ธรรมชาติที่เป็นวิมุตที่เป็นความรู้ของวิมุติอย่างแท้จริงแล้วไม่พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งนี้ทั้งนั้นนั่นถ้าไม่รู้สิ่งนั้นเราก็เหมือนว่าสิ่งนั้นไม่มี จะมีตั้งแต่ความรู้ที่เด่นๆอยู่ในขันเห็นๆจะชัดกันอย่างนี้รู้ๆชัดๆเปนอย่างนี้เท่านั้นว่าเป็นความรู้ที่วิเศษวิโสอะไรไปมันวิเศษวิโสอะไรความรู้เหล่านี้สิ่งที่วิเศษนั้นไม่ได้พูดว่าวิเศษไม่ได้พูดว่าเลวไม่ได้พูดว่าอะไรบรรดาที่เป็นสมมุตินั่นตั้งหะแม้อยู่ในขันก็ไม่ไม่ใช่ขัน ท่ปาปฏิบัติให้จำให้ดีคำพูดคำนิท่านทัางหลายผู้ปฏิบัติจะประกาศกัางวันขึ้นในตัวในเมื่อเต็มภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นทมประเภทนี้แล้วจะไม่ปรากฏบ้านนมนานผ่านไปกี่ปีกี่เดือนอะไรสาหรับคำพูดของครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วประกาศใดก็ตามจะสดสดร้อนๆอนอยู่กับความรู้อันเป็นหลักธรรมชาติ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 ให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองจะพูดหรือไม่พูดจะแสดงออกมามากน้อยหรือไม่แสดงเป็นที่แน่ใจอยูอาา่ตลอดเพราะทำนั้นเป็นทำแน่ใจอยู่แล้ววิธีการของการปฏิบัติก็ได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ขอ ใ, ใช้ความคิดพินิจพิจนารณาละเอียดถี่ถ้วนอย่านำเรื่องโลกคือเรื่องทิ่เลยกเข้ามาแย่งชีน เข้ามายึดเราคุมอำนาจเราเป็นเครื่องมือของมัทั้งทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่แล้วก็คิดเป็นนิสัยแบบโลกโลกให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนี้ให้เป็นขั้นนั้นให้เป็นภูมินี้ไปหมดซึ่งวนแล้วตั้งแต่เป็นนิสัยของโลกนิสัยของพิเรศซึ่งเคยทำลายทำมาเป็นเวลานานอยู่แล้วและก็มาทำลายอยู่ในวงของเพียรของเรา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 จากสัจธรรมทั้งสี่และสติปัฏฐานสีนี้เขาใหม่เอี่ยมอยู่ในจุดเดียวกันไม่มีการไม่มีสถานที่ที่จะว่าใหม่หรือเก่านอกจากพูดว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลาเท่านั้นไม่ใช่จะใหม่ระยะนี้แล้วไปเก่าในระยะนั้นคือเป็นธรรมของจริงล้วนจึงพูดได้ว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลา ไม่ละความจริงนี้จะเอาความข้ามข้าวไปใส่ให้สัจธรรมนี้ได้อย่างไรร้องพิจารณาตรงนี้ทุกอกขอให้ยอมรับว่าทุกแต่อย่าเอาตัวของเราเข้าไปเป็นเสียงรองในทุกนั้นจะถูกทุกนี้สับเอาแหลกทุกก็ยอมว่าทุกผู้ที่รู้ว่าทุกมีอยู่ ให้กําหนดเรื่องความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งสาคัญมากในขั้นเริ่มแรกมันทุกข์ตรงไหนให้แยกแยะดูเรื่องความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ยเด่นกว่าเพื่อนก็คือทุกขเวทนาในขณะที่เจ็บไายได้ป่วยก็ดีในขณะที่นั่งประกอบความเพียรนานๆก็ดีสัจธรรมอันนี้จะเด่นมากกว่าเพื่อนเมื่อสัจธรรมอนนี้เด่นแล้ว เราจะเอาตัวของเราไปรองสัจธรรมนี่ว่าเราเป็นผู์นี่จะทำให้ความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้และปล่อยวางงานการพิจารณานี้ไปโดยไม่ต้องสงสัยเพื่อความถูกต้องกับเหตุการณ์ที่กำลังแสดงขึ้นคือทุกข์ขัดคือความจริงเท่านั้นที่เราต้องการ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 อยากให้ทุกหายเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลวมตัวเข้าไปให้กิเลสสัตว์เอาความอยากนั่นคือกิเลสแทๆ้ๆคืออยากหายนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าความอยากเป็นกิเลสความอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้ที่เรียกว่าธรรมนี้นี่ความอยากนี้เรียกว่ามักเอาอยากลงไปอยากเท่าไหร่ยิ่งขุดยิ่งค้นเป็นมาก ให้เห็นความจริงแยกดูกายกับทุกขเวทนานีเป็นอันเดียวกันจริงหมายแยกดูแลย้อนดูใจกับทุกขเวทน า, นากับกายทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เด่นมากอยู่ในร่างกายของเราและเป็นอันเดียวกันหมายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยความสนใจด้วยสติที่จดจ่อสืบเนื่องกัน ให้ปัญญาเป็นผู้ทำงานแยกแยะแยกตรงไหนจาะตรงนั้นดูความจริงในตรงนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นดูความจริงของทุกขเวทนาให้เด่นให้ชัดด้วยสติแยกไปทางร่างกายส่วนใดก็ตามเป็นเหมือนกันนี่ไหมเป็นเหมือนทุกขเวทนานี่ไหมทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนเหมือนร่างกายส่วนนั้นๆัใหม่มันเป็นอันเดียวกันใหม่ถ้าเป็นเหมือนกันก็เป็นอันเดียวเวลายแยกแยะเข้าไปด้วยสติปัญญาแล้ว มันไม่ใช่อันเดียวกั น, นทุ ก, ก็จักแต่ว่าทุกที่ปรากฏดูตามธรรมชาติแห่งความจริงของตนเท่านั้นแล้วเพิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่แลยัมจะต้องดับไปกายนี้ปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ค่อยเจริญเ ต, ติเบโตขึ้นมาด้วยกางบำรุงรักษาทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด แล้วจะนำเข้ามาบวกให้เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์เป็นเรื่องของกายกายกับทุกข์เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่การพิจารณาโดยปัญญาจิต ก, ก็เป็นสภาพที่รู้รเวลาทุกขเวทนา t ี i ยังไม่เกิดจิต ก, ก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิต ก, ก็รู้อยู่เช่นนี้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 แยกดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงอย่าเอาความตายเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวตายนั่นแหละคือชะมู ท, ทยต้องการแต่อยากรู้อยากเห็นความจริงอย่าหมายอยากคาดอันใดใ้ขณะที่พิจารณากนอยูเวลานั้นทุกจะร่างกายจะแตกก็ให้แตกกันนั่นเป็นเรื่องของกายจะแตกเรื่องของความรู้นี่ไม่ได้แตก ที่จะพิจารณาสัจธรรมทั้งหลายให้เข้าใจประจับด้วยสติปัญญาตรงตนนี้ไม่แตกถึงเหล่านั้นจะแตกให้แตกไปอย่าเอามาค้านมาหมายอย่าเอามากีดขวางทางเดินคือสติปัญญาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมได้แก่สัจธรรมคือทุกขสัจและสมุทัยสัจการพิจารณาแยกแยะตีต้อนกันไปมานี้เป็นการที่จะหาเหตุหาผลของสมุทัย คือตัวสําคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกว่าเราเป็นทุกฝ่าขาของเราเป็นทุกหนังเราเป็นทุกเป็นเนื้อกระดูกเป็นทุกนี่เป็นเรื่องของสมุทยที่มันไปเที่ยวปักปันเขตรแดนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยลําดับธรรดาทั่วแต่ร่างพังร่างกายสติปัญญาสอดแทรกลงไปสติปัญญาสอดแทรกเห็นชัดตรงไหนความสําคัญที่ว่านี้จะถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาสุดท้ายก็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 ทุกอันนั้นก็มีอยู่างนั้นอาการอันนี้พาให้เกิดทุกข์ขึ้นอีกประการหนึ่งต่างหากเพราะความสําคัญนี้ได้หดตัวเข้ามาแล้วแม้ร่างการนั้นจะเป็นทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าทุกนานผู้นี้ก็รู้ตัวเองจิตก็รู้ตัวเองไม่ไปสําคัญทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเต็มส่วนในขั้นนี้แล้วนะักกายก็เป็นความจริงขึ้นขึ้นมาประจักษ์ใจเต็มส่วน จิตก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ตัวเองเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันแม้ร่างกายจะทุกขเวทนาจ ะ, จะแสดงอย่างแรงข่าหรือสหัสประการใดก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจยิ้มได้หัวเราะได้สบายถ้าจะหัวเราะนั่นไม่กระทบกันมันกระทบก็เพาะเอาไปประสานกันฝืนหลักธรรมชาติหลักความถูกต้อง ฝืนหลักธรรมนำทุกขเวทนานำกายเข้ามาบวกกับใจเลยเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่เพืก็สร้างทุกข์ขึ้นมาทับผมหรือเผาไหม้ตัวเองกลายเป็นทุกข์งใจขึ้นมาอีกเพื่อความรอบคอเพื่อการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้ ง, งในสัจธรรม ซึ่งเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเช่นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเราไม่ต้องไปคาดไปหมายว่าพิจารณาทุกแล้วจะพิจารณาสมุทยัยแล้วจะนำมรรคมาใช้พิจารณามรรคแล้วถึงจะทําความแจ้งในนิโรธนั่นเป็นความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงท่านเขียนไว้ตามอาการของธรรมเหล่านี้ของความจริงสี่สี่อย่างนี้ว่ามีลักษณะต่างกันอย่างนี้นี่ต่างหาก ไม่ใช่ท่านจะให้เราไปปฏิบัติต่อสัจธรรมอย่างนี้แล้วต่อปฏิบัติต่อสัจธรรมอันนั้นแล้วต่อสัจธรรมนั้นเลียงลายไปอย่างนั้นไม่ถูกท่านพูดไว้ตามอากาศการกาหนดรู้ทุกข์ก็เพื่อจะสาวหาเหตุของทุกข์ว่าอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากไหนด้วยสติปัญญาซึ่งทําหน้าที่อยู่ในขณะเดียวกันนะเมื่อเข้าใจแล้วคาว่า น, นิโรธ ความดับทุกข์ทางใจก็ย่อมดับโดยลำดับลำดาของกำลังสติปัญญาที่เป็นมากเมื่อสติปัญญามีกำลังเต็มที่สามารถฟาดฟันวิเวสให้พังทลายลงไปจับอีกตัวจิตโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ดับเต็มที่ เพิบเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่มาดับอีกนั่นก็เรียวกวิริยาเช่นนั้นเรียกว่า น, นิโรธเป็นกิริยาของอมรรคที่มีกําลังปราบกิเลสให้สิ้นเชื่อลงไปแล้วทุกที่เป็นผลก็ดับไปพร้อมๆกันเป็นอาการของสัจธรรมแต่และอย่างอย่างเท่านั้น <Wow. S 1> เมื่อได้ทํางานเต็มที่เรียนจะจะทําจบ รอบหมดแล้วไชยธรรมทั้งสีน่นี้ก็หมดปัญหาต่อกันทุกในใจก็ไม่มีเพราะสมุทัยสิ้นเชื้อไปแล้วสมุทัยเป็นสาเหุให้ทุกทางใจเกิดขึ้นในสิ้นเชื้อไปแล้วทุกทางใจหมดไปเพราะมักมีกำลังสังหารสมุทยัยเมื่อทุกดับไป กิเลสแห่งการดับทุกและจมูไทยนั่นแหละอันรียกว่านิโรธแล้วก็หมดปัญหากันไปโดยสิน้นเชิงมักก็ไม่ทําหน้าที่จะถอนกิเลสตัวใดอีกต่อปร ะ, ระเทศใดอีกผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วทุกดับไปแล้ ว, แ ล, วและสมุติอ่ะสติปัญญาได้มีกําลังพอได้ดับทุกโดยสิ้นเชิงแล้ว นั่นคือผู้ผู้บริสุทธิ์นั่นแ่ะอันนั้นธรรมชาตินั้นนอกจากสัจธรรมทั้งสีสัจธรรมทั้งสีนี้เป็นทางก้าวเดินพอพ้นจากนี้แล้วธรรมชาติที่รู้ว่าทุกจ์จมุไทยดับไปด้วยสติปัญญานั้นไม่ใช่สัจธรรม นั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนั้นมีสิ่งเหล่านี้ที่อันนันจะเป็นเศษเป็นเดนอยู่ภายในร่างกายก็ทราบเช่นทุกข์ในเรื่องร่างกายมันก็เป็นเพราะมันอยู่เช่นนั้นแหละแต่ทุกทั้งใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องเสริมไปไม่มีเพราะฉะนั้นพระอหันท่านจึงไม่มีสุ ข, ขเวทนาทุกขขเวทนาอุเบก ข, ข, ขาเวทนา ทางใจเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วเอาอะไรไปเป็นเวทนาสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมาจิเลศเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทางใจกิเลศดับไปจากใจแล้วเอาอะไรมาสร้างทุกข์ให้ใจให้รับความทุกข์รือสุขมากก็ าดบาบกบเลสลงไปแล้วก็สิ้นหน้าที่ขอตงตนสุขที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็ให้ชื่อว่าพระบางสุขขังซึ่งไม่ใช่สุขเวทนานเป็นสุขในหลักธรรมชาติที่นอกเหนือไปจากวงสมมติมทั้งมวลแล้วนะทำที่กลามาทั้งวล น, นี้อยู่ไหนล่ะนี้ สัจธรรมทั้งสี่กลางวานอยู่ในการในจิตของเราทุกๆุกท่านสติปัฏฐานสี่ก็เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวเวลาทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับทําหน้าที่สัจธรรมทั้งสีอย่าไปเข้าใจจะไปแยกไปแยกไ ป, ไปเรียงลําดับลําดานในการปฏิบัติจะผิกจากหลับความจริงทั้งหมดแล้วจะไม่เกิดผลอนไดขึ้นมาวงปฏิมาตรเป็นเช่นนี้พิจารณากายแล้วจะพิจารณาเวทานา แล้พิจารณาจิตแล้วพิจารณาธรรมพอจอลงไปกายนั้นมันอะไรมีอยู่ในนั้นมันก็รู้สติลงสติปัญญาได้อย่างลงไปแล้วทั้งกายทั้งพกุกทั้งสุกมันจะรู้กันตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวโยงก่นพิจาราจิตในจิตก็เป็นผู้พิจารณาแท้ๆทาไมจะไม่รู้ตัวเองธรรมคืออาการต่างๆที่แสดงอยู่ในวงสติปัฏฐานสี้มันจะแยกกันไปไหนมันจะไปอยู่ในที่เล่นลับที่ไหน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 จินตนกาก็วิ่งก็หาทุกสุดท้าก็วิ่งก็หาใจเนี่ภาษาสรงนั้นนี่การพิจารณาลากความจริงเป็นเช่นนี้พิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติย่าทํา ล, ละเหล่เลยแหละให้มีความจริงใจหลกักวิชาทั้งมวล น, นี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่จะผลิตขึ้นมาใช้สําหรับตัวเองหลกักวิชาฆ่ากิเลสเราจะเอา สติปัญญาแบบโลกโลกมาใช้ไม่ได้ต้องเป็นสติปัญญาแบบธรรมในวงปฏิบัติของเราเองพิจารณาคุดค้นขึ้นมาคิดขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาที่ควรจะพิจารณาได้นี่แหละโดยลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึงเป็นสติปัญญาแห่งธรรมล้ ว, ลวนๆได้เจ็ดมหาสีมหาปัญญานี่ไม่เกี่ยวกับโลกใดไม่เกี่ยวกับวิชาของโลกขแขนงใดเลย เป็นสิ่งที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองเกิดขึ้นมาภายในตัวเองมีกําลังขึ้นมาในาตัวเองแก้กิเลสภายในตัวเองไปโดยลําดับลําดาเนี่การแก้กิเลสเราจะอาวิชาของโลกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมาใชา้มันใช้ไม่ได้ตั้งอวิชาที่เกิดขึ้นจากธรรมสติที่ตั้งสติธรรมนาของกิเลสมันตั้งมาตั้งมันก็เป็นสติของกิเลสอยู่โดยดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นสนใจจะตั้ง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 สมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานะั้นหนุนอย่างนี้เองพอสมาธิมีกําลังปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วจิตย่อมไม่หิวโหวยต่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้ที่เคยที่เคยเป็นมาอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาให้พิจารณาทางด้านปัญญาบางข้าพเจ้พิจารณาก่อนในขั้นเริ่มแรกไม่งั้นมันจิตมันติดอยู่ในสมาธิในความสุขของสมาธิถ้าหมกตุงเยนนี้จะไม่สนใจทํางานซึ่งจะได้ความละเอียด แหลมคมมากยิ่งกว่านี้หรือความสุขอละเอียดยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ใช้การถ้าไม่ได้ใช้การบังคับบัญชาต้องใช้บังคับบัญชาให้พินิจพิจารณาจนกว่าว่าสติปัญญานี้พอจะตั้งตัวได้เห็นเหตุเห็นผลในเร่องอย่างทุกขังอย่างนี้หรืออสุภา้าอสุขังมันก็ปร า, ปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนจะมีถึงเกล้าตระหมาย่อนใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหน คำว่าอสุวภาสุภัพก็ค่อยเด่นขึ้นพานาจิตใจเด่นขึ้นทางบัญญาตินานเมื่อเด่นขึ้นแล้วเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วสติปัญญาต้องมีแก่ใจขยับตัวเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนแจ้งชัดขึ้นมาโดยลําดับลําดับอัศวภาสที่รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัตินี้กับอสุภาสที่จํามานั้นผิดกันคนละโลกนานที่นี่นี่แหละที่ว่าสติปัญญาเป็นเรื่องของทำผิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะผิดขึ้นมาเอง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 ทั้งผลก็ปรากฏให้เป็นที่สุขสบายเบาไปโดยลําดับดบรรดาเพราะการถอดการถอนเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับแล้วสติปัญญาก็จะก้าวเดินก้าวเดินด้วยเดียวกัต่อจากนั้นสติกับปัญญาก็ไปด้วยกันนี่กลมกลืนกันจนกระทั่งเป็นสติปัญญาอตโนมัติขึ้นมานี่ที่นี่เป็นวิชาธรรมแท้ เป็นวิชาทำล้นล้วนถึงเราไม่ต้องไปคิดหาอุบายจากวิชาโลกวิชาใดเข้ามาช่วยแก้ที่เล็มันนากเป็นนักผุดขึ้นมาเราผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอนไม่ถอ ย, ถอยนี่ยิงว่าเป็นสิ่งที่อกิจใจไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะคิดอย่าไปไม่น่าจะไปคำนึงคำนวณ ว, ว่าสติปัญญานี่มีความกว้างแคบและเอียดแหลมคมแค่ไหนขอให้รู้ด้วยตนเองเถอะ พิจนาด้วยตนเองและละเอียดแหลมคมลึกกว้างแค่ขนาดไหนจะรู้ด้วยตนเองรู้ตนเองเป็นสันติโกโทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญาทั้งเรื่องของการฆ่ากิเลสหมดไปมากน้อยเป็นวิชาของตัวเองทั้งนั้นเรียกว่าวิชาธรมแท้เราจะนําสติปัญญาทางโลกวิชาทางโลกมาใช้แก้กิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของวิชาธรรมที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองโดยอาศัยตำลักตำนาที่เรียนมามาเป็นหลักเตรนอาไว้ ส่วนการที่จะปฏิบัติหน้าที่เองนั้นต้องเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดดื่มดำในความทาคเพียรเห็นโทษก็เห็นโดยลําดับลำนาจนเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมให้เห็นคุณค่าของปัญญาก็เห็นโดยลําดับลนาจนกระทั่งเห็นอย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างคือทั้งเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจแล้วทําไม พลังของใจจะไม่มีอำนาจมากมันต้องเยีอำนานมากพุ่งพุ่งไงทีนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจที้คลานความอ่อนแอความท้อแท้หลวไหลเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเมื่อก้าวถึงมาถึงขั้นนี้แล้วมันหายหน้าไปหมดความจิตวัญญาณน้อยน้อยวาสนาน้อยปัญญายากเป็นคนอาภาพวาสนาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมากกล่อมมาให้เราดําเนินทางด้านธรรมะ ให้ออกจากเนื่อมือของมันหรือจากอำนาจของมันแต่พอสัมฤัธมันออกได้ด้วยวิธีความเพียรชนิดแล้วเราจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นเพราะมันไม่มีคําว่าขีเกียจชี้ค้านไม่มีมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นมีแต่จะเอาให้หลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสที่โดยไถ่เดียวเท่านั้นถึงจนถึงขั้นว่าอา้าว หากกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้คําว่าถอยนี้เป็นมีไม่ได้คําว่าแพ้นี้เป็นมีไม่ได้นอกจากตายเท่านั้นนมีมาเท่าไหร่เป็นอันว่าทุ่มสักการทุ่มสักการมีแต่ให้รู้ไม่รู้ตายให้พ้นไม่พ้นตายเท่านั้นคําว่าแพ้นี่มีไม่ได้คําว่ามีไม่ได้คือมีเต็มหัวใจแล้วว่ามีไม่ได้ฟังเสิมันเต็มหัวใจแล้วนอกจากจะให้ชนะท่าเดียวให้หลุด เห็นประจักษ์โดยถ่ายเดียวเวลานี้ก็เห็นประจักษมาโดยลำดับธรรมดาแล้วแต่ยังไม่ได้เต็มภูมิจะเอาให้เต็มเอาให้ชนะอย่างเด็ดขาดที่นี้ความขี้เกียจจิกันมันจะมาแอบมาซ่อนอยู่ที่ตรงไหนเวลาไหนขนาดใดมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็รู้เลยสีว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องกดท่วงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวะเอาจนกระทั่งกิเลสทังหมดก็ด้วย สติปัญญาของธรรมที่เราผิดขึ้นมาเองเป็นสติปัญญาของธรรมล้วนๆปเป็นความเพียรของธรรมล้วนๆถึงจิเด็ดพังไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนีไอเรื่องความภาคเพียนความอุตสาห์พยาพยามซึ่งเป็นต้นเป็นเหตุเป็นเหตุเมื่อถึงผลอันสมบูรณ์แล้วเหตุเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาธรรมดา ถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้ไปส่วนสติปัญญาสำหรับแนวลบนั้นลบอะไรนี่หากเป็นในตัวเองหากรู้ในธรรมชาติตัวเองโดยไม่มีใครบอกใครสอนจึงเรียกว่าสันติโกสันทิโกพอเหมาะพอควรแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้รู้ผู้เห็นไปโดยลำดับลาดานนั้นแหละจนกระทั่งเหมาะสมเต็มที่ภายในจิตใจยันนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่จะพิจารณานอกก็าตาม มันติดตรงไหนนํามาแยกมาแย่เอาให้เห็นตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่แท้แทีมิต่กิเลสมันมาพางตาไว้เฉยมาปิดตาไว้ให้เห็นไปตามเรื่องของมันทั้งๆที่เลวไหลหาความจริงไม่ได้มันหลอกขนาดนั้นเชื่อมันได้อีกเหรือเห็นอย่างว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามมันสวยตรงไหนเอาดูสิตั้งแต่ตาเนื้อนี่ก็เห็นกันอยู่แล้วนี่ไม่ใช่คนตาบอดทําไมจะไม่เห็นถึงตาบอดจอมูกมันก็บอก เขาจะหมุกไม่บอดมันเห็นกันอยู่รู้กันอยู่ยังลงไปให้เห็นความจริงไงแต่ถึงขั้นอุูปภะมันเห็นชัดเจนอย่างที่ว่าปัญญาจะเห็นแท้เมื่อละมัช้าอยู่เสมอจะหนีจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปนี้ไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงแท้แทนไม่ได้ปลอมเหมือนอิเล่อิเล่มันปลอมน้อยเปอร์เ็นปัญญาจริงน้อยเปอร์เซ็นต์ทจริงน้อยเปอร์ซ เวลานี้เราจะนํำทำมาใช้ปราบสิ่งที่จอมปลอมเหล่านั้นให้มันหมดให้มันสิ้นราประจากใจใจจะไม่ได้รับความทุกข์จะไมเป็นนักโทษอถูกออกจากที่คุมขังนี้ไปสู่คุกที่คุมขังนั้นออกจากพบนี้ไปสู่พพนั้นซึ่งล้วนแล้วจนแต่เป็นที่คุมขังอันอยู่ใต้อำนาจของขีดทั้งหมดมันดีที่ไหนโทนอํำนาจของขีดเสียทสนั้นเราจะเห็นเป็นยังไงที่นี่โลกนี้เป็นยังไงขันอันนี้แหละที่เคยอยู่ด้วยกันใจดวงนี้แหละ ที่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนกาบคำขนาะที่กิเลสมันหลุดลอยไปหมดแล้วไปยังไงเห็นขัน น, น, นี้เห็นเป็นยังไงบ้างเนี้เห็นจิตนี้เห็นเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นข้าเป็นสองโลกก็เป็นคนละโลกก็เลยอืมถ้าไม่ว่าสองโลกก็คือ ส, สมมุติกับวิ ม, มุติเป็นยังไงนะมันก็รู้ในตัวเองถามหาที่ไหนพระนิพพานขอให้มันเอากิเลสให้มันแหลกไปเถอะตัวนี้ละตัวมันให้ฆ่าให้หมายตัวมันทําลายมรรคผลนิพพานความดีของเรา ว่ามันพังลงไปหมดแล้วไม่ต้องถามอจะถามอะไรก็เป็นความดีอยู่แล้วเต็มหัวใจถ้าว่าดีเนี่ยก็เต็นหมดแล้วไม่มีใครเข้ามาขัดมาแย้งนี่กียิเลศเท่านั้นมันขัดแย้งหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ทํางานหรือให้อยู่ตามปกติสุขไม่ได้ไม่เกรติเกศเท่านั้นแ่ะในสมแดนโลกธานุนี้เราอยากเข้าใจว่าดินผ้าอากาศต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งแผ่นนี้มาเป็นภัยมาเป็นอันตรายต่อจิตใจเรานี่กิเลศเท่านั้นเออ ความโลภความโกรธความหลงรักคตัณหาเป็นต้นมีเท่านี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจให้เราได้เป็นนักโทษเพราะมันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปราบดูให้มันเรียบอย่าให้มันเหลือซินซ่างสุ่ภายในใจเลยนั่นแหละจะแสนสบายขนาดไหนวิเศษขนาดไหนไม่ต้องถามไม่ต้องเสกสรรมันเป็นอยู่ภายในจิตใจคาดนู้นคานนี้หมดมแม่ที่สุดพบชาติจะไปเกิดที่ไหนที่ไม่หมด ตายแล้ไปเกิดที่ไหนหมดชีวิตร่างกายนี้จะจะตายเมื่อไรหมดไม่ไปสนใจก็รู้กันอยู่แล้วว่าดินก็เป็นดินน้ําเป็นน้ำลมเป็นลมไปมนไปตายไม่ตายก็เห็นกันนี่นั่นแม่ก็รู้อยู่ใจเป็นใจเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาบีบบังคับเพราะให้ใจมันดิ้นคาดโน้นคาดนี้การที่ใจมันกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็เพราะมีสิ่งบีบบังคับมานั่นแหละเมื่อมันมีอะไรสิ่งบีบบังคับเป็นอิสระในหลักธรรมชาติเต็มตัวแล้วมีอะไรเข้าไปเกี่ยว นัน่นนะท่านมาแสนสบายบรมมาสุตรงนั้นเองการห่วงหมูอเพื่อนก็เป็นห่วงหลังที่ว่านี่ไม่อยากจะรับมากรับพระรับเนรแต่ก็จําต้องได้รับเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงละดวงมีคุณค่าสแสวงหาที่ที่พึ่งที่เกาะครูอาจารย์เพราะตนไม่สามยังไม่สา ม, มารถจะพึ่งตนเองได้ต้องเสอะแสวงหาครูอาจารย์ เป็นไม้เท้าหรือเป็นล่มโผล่มสายเป็นที่ยืดเป็นที่เกาะเราเห็นใจเพราะเราเคยสอบแสดงหาครูอาจารย์มาแล้วทําไมจะไม่เห็นใจไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้รับไปมากแต่การรับไม่มากโทษของมันก็มีอีกไม่ใช่ว่าจะมีแต่เห็นแต่คุณค่าของใจดวงเดียวใจนั้นมันทําให้เป็นพิษได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ละลายลายไม่รอบคอบในตัวเองไม่มองให้รอบข้าง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 ก่อนอื่นอะไรผิดก็ตามอย่าโวนไปตาหนิว่าคนอื่นคนใดผิดให้ดูตัวเองให้รับรับครอบซะก่อนคำมูลผู้นั้นผิดกใ็ให้เห็นว่าผิดแต่ก็ให้ให้อภยัยเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้อภัยได้ก็ต้องให้อภยัยแล้วมีเหตุผลคนกลางแล้ก็พูดกันตามเรื่องผู้ที่ตัง้งใจมาปฏิบัติด้วยกันแล้วให้ยอมรับกันทันถีเพราะความถูกต้องนั้นคือธรรมเรามาแสวงหาธรรมไม่เอาความถูกต้องจะเอาอะไรเอาที่ทีมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นฝืนเป็นฝ่ายเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นน่ะให้ต้องคิดอย่างนี้เสมอนกะปฏิบัติ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 ให้พิจารณาการอดอาหารอดมากอดน้อยขอให้คำหนึ่งถึงผลเป็นยังไงบ้างมีสติมีปัญญารอบการปฏิบัติทั้งตัววิธีการต่างๆที่เรานำมาทามาบาเพ็ญที่เรียกว่าความเพียรเพียรนี้มันเหมาะสมอย่างไรบ้างถ้ามันมีสติปัญญาเข้าไปแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะเลยเถิดได้แล้วมันจะอ่อนจนย่อนยานจนก้าวขาไม่ออกได้มันมีได้ทั้ง้วยกันทั้งนั้นนะ่ะ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 ตามไปทำกันว่าพอสมควรรู้สึกเหนื่อยแล้ว